อธกถาวิตุระชาดกที่เก้าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงปรารกปัญญาบารมีตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าเธอมีผิวพรรณเหลืองสู้ผอมถอยกำลังปันดุกีสิยาสิทุพภลาความพิสดารว่าวันหนึ่ง พิสูจทั้งหลายสนทนากันที่โรงธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จิงหนอพระศาสดาทรงมีพระปัญญามากมีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาเร็วไวมีพระปัญญาร่าเริงมีพระปัญญาเฉียบแหลมมีพระปัญญาปุโปรง่งทรงย่ำยีถ้อยคํากล่าวร้ายของคนอื่น ทรงทำลายปัญหาอละเอียดที่กษัตริย์และบัณฑิตเป็นต้นแปลงขึ้นได้ด้วยอานุภาพแห่งพระปัญญาของพระองค์ทรงทรมานคนเหล่านั้นให้หมดพยศแล้วให้ตั้งอยู่ในสารณะและศีลและให้ดำเนินไปตามหนทางอันจะนำสัตว์ไปสู่อมะตะมหานิพพานพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่า วัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอะเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่เราตถาคตได้บรรลุพระประมาภิสัมโพธิญาณอันสามารถทำลายเสียซึ่งคำที่คนอื่นกล่าวให้ร้ายแนะนำชนทั้งหลายมีกษัตริย์เป็นต้นได้เช่นนี้ไม่น่าอัศจรรย์เพราะว่า ตถาคตแม้เมื่อกำลังแสวงหาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในพบก่อนก็เป็นผู้มีปัญญาย่ามดีถ้อยคาที่คนอื่นกล่าวให้ร้ายเช่นนี้เหมือนกันจริงอย่างนั้นในการที่เราเป็นวิทุระบัณดิตเราทรมานยักษ์เสนาบดีนามว่าอุณ ก, กะได้ด้วยกำลังญาณบนยอดกาลาคิรีบันพศสูงถึงหกสิบยอด ปราบให้หมดพยศให้ตั้งอยู่ในศีลห้าจนยอมมอบชีวิตของตนแล้วทรงดุษณีภาพผู้อันภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนาแล้วจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัส ด, ดังต่อไปนี้ในอดีตการพระราชาทรงพระนามว่าท น, นชัยโกรพพยราชทรงครองราชในกรุงอินทปัต t h แคว้นกุรุอมาตชื่อว่าวิุรบัณฑิต ได้เป็นราชสเสวกของพระเจ้าธานันชัยโกรัพยราชนั้นในตำแหน่งผู้ถวายอักธรรมท่านเป็นผู้มีถ้อยคำไพเราะเป็นมหาธรรมกระถึกประเลาประโลมพระราชาชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นด้วยธรรมเทศนาอันไพเราะจับใจของตนประหนึ่งสยบช้างด้วยเสียงแห่งพินชื่อว่าหัตถีกันมนกลมช้าง พระราชาเหล่านั้นไม่ยอมเสด็จกลับแว่นแคว้นของพระองค์แสดงธรรมแก่มหาชนด้วยพุทธลีลาอาศัยอยู่ในนครนั้นด้วยยศใหญ่แม้ในกรุงพาราณสีแหลยังมีพระมหาศารสี่คนเคยเป็นเพื่อนขรหัดด้วยกันในเวลาที่ตนแก่ลงเห็นโทษในการทั้งหลายละทิ้งเย่าเรือนเข้าไปสู่หิมมวันตะประเทศ บวชเป็นฤาษีบำเพ็ญอภิญญาและสมาบัติให้เกิดแล้วมีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารอยู่ในหิมมวันตะประเทศนั้นนั่นแหลสิ้นกาลนานจึงเที่ยวจาริกไปเพื่อต้องการเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวไปถึงกรุงกาละจัมปากะนะครในแคว้นอังคะพากันพักอยู่ในพระราชอุทยาน วันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปพิกษาจารย์ยังนครในกรุงการะจำปากะนั้นยังมีกูดุงพีอยู่สี่สหายเลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีเหล่านั้นต่างก็ไหว้แล้วรับเอาภิกษาภาชนะนำมาสู่เรือนของตนของตนคนละตนคนละตนอังคาา ด, ด้วยอาหารอันประณีตขอรับรตฏิญญาแล้วให้อยู่ในสวน ดาบ ท, ทั้งสี่ครั้นฉันอาหารในเรือนกูรุมพีสี่สหายเสร็จแล้วมีความประสงค์จะพักผ่อนกลางวันท่านหนึ่งไปสู่พบชั้นดาวดึงท่านหนึ่งไปสู่พบนาท่านหนึ่งไปสู่พบครุฑท่านหนึ่งไปสู่พระราชอุทยานชื่อว่ามิคาชินะของพระเจ้าโกรััยยราชบรรดาดาบททั้งสี่นั้น ท่านที่ไปพักผ่อนกลางวันยังเทวโลกได้เห็นพระอิสริยยศแห่งเท้าสักกะเทวราชจึงได้พรรณนาพระอิสริยยศนั้นนั่นแหลแกกูดุงพีผู้เป็นอุปถากของตนท่านที่ไปพักผ่อนกลางวันยังพบนาคได้เห็นสมบัติของพญานาคเมื่อกลับมาถึงแล้วจึงพรรณนาสมบัติของพญานาคนั้นนั่นแล แกกูดุมพีผู้เป็นอุปถากของตนท่านที่ไปพักผ่อนกลางวันยังพบครุฑได้เห็นเครื่องประดับของพยาครุฑเมื่อกลับมาแล้วจึงพันธนาเครื่องประดับของพยาครุตนั้นแกกูดุมพีผู้เป็นอุปถากของตนท่านที่ไปพักผ่อนกลางวันยังพระราชอุทยานของพระเจ้าโกรับพยราช ได้เห็นสมบัติอันเลิศด้วยความงามคือสิริของพระเจ้าทนัญชัยครั้นกลับมาแล้วได้พรรณนาโภคสมบัติของพระเจ้าทนัญชัยนั้นแก่กูรุมพีผู้เป็นอุปถากของตนกูรุมพีสี่สหายนั้นเมื่อปรารถนาฐานะนั้นๆจึงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นในที่สุดแห่งการสิ้นอายุคนหนึ่งบังเกิดเป็นเทศ ก, กเทวราช คนหนึ่งพร้อมด้วยบุตรและภรรยาเกิดเป็นพญานาคในนาคพิภ พ, พคนหนึ่งเกิดเป็นพยาครุตในชิมพลีรุขขพิมานคนหนึ่งเกิดในคันของพระอัครมเหสีของพระเจ้าธนันชัยดาบททั้งสี่นั้นก็ไม่เสื่อมจากฌานทํากาละแล้วบังเกิดในพรหมโลกบรรดากูรุมพีสหายนั้น ผูดุงผีผู้เป็นพระโกรพยกุมารทรงเจริญไวขึ้นแล้วครั้นพระราชบิดาสวรรคตทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ครองราชโดยธรรมโดยถูกต้องก็พระเจ้าโกรพยาราชนั้นทรงมีพระราชหฤทยัยชอบในการทรงสกาเท้าเธอทรงตั้งอยู่ในโอวาทของวิธุระบัณฑิต ทรงบำเพ็ญทานรักษาเบญจศีลและสมาทานอุโบสถศีลวันหนึ่งเท้าเธอทรงสมาทานอุโบสถแล้วทรงดำริว่าเราจะพอกพูนวิเวกจึงเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชอุทยานประทับนั่งณสถานที่ที่น่ารื่นรมย์ใจทรงจเจริญสมณธรรมฝ่ายเท้าสักกะเทวราชทรงสมาทานอุโบสถแล้ว ทรงพระดำริว่าในเทวโลกยังมีความกังวลอยู่จึงเสด็จไปยังพระอุทยานนั้นนั่นแหลในมนุษยโลกได้ประทับนั่งเจริญสมณะธรรมอยู่ณสถานที่ที่น่ารื่นรมใจแม้วรุณนาคราชทรงสมาทานอุโบสถแล้วคิดว่าในนาคพิภ พ, พยังมีความกังวลอยู่จึงไปในพระราชอุทยานนั้น นั่งเจริญสมณธรรมณสถานที่ที่น่ารื่นรมใจส่วนหนึ่งฝายพยาครุตสมาทานอุโบสถแล้วก็ดำริว่าในพิภ พ, พ, พครุตยังมีความกังวลจึงไปในพระราชอุทยานนั้นแล้วนั่งเจริญสมณธรรมณสถานที่ที่น่ารื่นรมใจส่วนหนึ่งพระราชาทั้งสี่พระองค์นั้นในเวลาเย็นออกจากที่อยู่ของตนของตน ไปพบกันที่ฝั่งสะโบกครณีอันเป็นมงคลพอเห็นกันและกันต่างก็มีความพร้อมเพรียงชื่นชมยินดีเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตมีเมตตาแก่กันและกันต้อนรับด้วยถ้อยคาอันไพเราะด้วยอำนาจแห่งความรักใคร่ซึ่งเคยมีแก่กันและกันในปางก่อนปลายเท้าสักกะเทวราชประทับนั่งเหนือพื้นศิลาอันเป็นมงคล ส่วนพระราชาทั้งสามนั้นทรงทราบโอกาสที่ควรแก่พระองค์ควรแก่พระองค์แล้วประทับนั่งลำดับนั้นท้าสักกะเทวราชจิ้ตรัสกับพระราชาทั้งสามนั้นว่าพวกเราทั้งสี่ล้วนเป็นพระราชาสมาทานอุโบสถแต่ในบรรดาเราทั้งสี่ใครจะมีศีลมากกว่ากันลำดับนั้นวรุณนาคราชได้พูดขึ้นว่า ศีลของข้าพเจ้าเท่านั้นมากกว่าศีลของพวกท่านทั้งสามเทา้ากสกะเทวราชตรัสถามเธอว่าเหตุไนในเรื่องนี้ท่านจึงพูดอย่างนั้นวรุณนาคราชกล่าวว่าเหตุว่าพยาครุษนี้เป็นค่าสึกแก่พวกข้าพเจ้าทั้งที่เกิดแล้วและยังไม่เกิดแม้ข้าพเจ้าเห็นพยาครุ ผู้เป็นฆาสึกที่อาจทำร้ายพวกข้าพเจ้าให้สิ้นชีวิตได้เช่นนี้ก็มิได้ทำความโกรธต่อพยาครุธนั่นเลยเพราะเหตุนี้ศีลของข้าพเจ้าจึงมากกว่าศีลของท่านทั้งสามแล้วจึงตรัสคาถาที่หนึ่งในจตุโปสถชาดกในทัศกนิบาตดังนี้ว่าคนใดย่อมไม่ทำความโกรธในบุคคลควรโกรธอันหนึ่ง คนใดเป็นสัตว์ปุรุตย่อมไม่โกรธในการไหนๆถึงเขาโกรธแล้วก็หาทำความโกรธให้ปรากฏไม่บัณฑิตทั้งหลายเรียกคนนั้นแลว่าผู้สงบในโลกบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าคนใดโยได้แก่ในบรรดาชนทั้งหลายมีกษัตริย์เป็นต้นคนใดคนหนึ่งคำว่า ในบุคคลควรโกรธโกปาเนเยความว่าไม่กระทําความโกรธในบุคคลที่ควรโกรธเหมือนขันติวาทีดาบทฉะนั้นคําว่าในการไหนไหนกทาจิได้แก่ก็บุคคลใดย่อมไม่โกรธในการไหนไหนคําว่าถึงเขาโกรธแล้วกุตโทปิความว่าก็ถ้าบุคคลนั้นเป็นสัตบุรุษ ย่อมโกรธไซดหรือแม้โกรธแล้วก็ไม่ทำความโกรธนั้นให้ปรากฏเหมือนจูละโพธิดาบทฉะนั้นคำว่าคนนั้นแหลตังเวณรังความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมเรียกบุคคล น, นั้นผู้เป็นสัตบุรุษว่าเป็นผู้สงบในโลกเพราะสงบความชั่วเสียได้ ก็คุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นศีลของข้าพเจ้าเท่านั้นจึงมากกว่าศีลของท่านทั้งสามพยาครุฑได้สดับดังนั้นจึงกล่าวว่านาคนี้เป็นอาหารอย่างดีของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าแม้เห็นนาคผู้เป็นอาหารอย่างดีเช่นนี้แล้วก็อดกลั้นความอยากไว้ได้ไม่ทําความชั่วเพราะเหตุแห่งอาหาร เพราะฉะนั้นศีลของข้าพเจ้าจึงมากกว่าดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาว่าคนใดมีท้องพร่องแต่ทนความอยากไว้ได้เป็นผู้ฝึกฝนมีความเพียรเผาผลาญกิเลสบริโภคข้าวและน้ำพอประมาณไม่ทำความชั่วเพราะเหตุแห่งอาหารปราดทั้งหลายเรียกคนนั้นแล้วว่าผู้สงบในโลก บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นผู้ฝึกฝนทันโตได้แก่ผู้ประกอบด้วยการฝึกอินรีคำว่ามีความเพียรเผาผลาญกิเลสตปัดสีได้แก่ผู้อาศัยความเพียรเครื่องเผาผลาญกิเลสข้อว่าไม่ทำความชั่วเพราะเหตุแห่งอาหารอาหาระเหตุนะักครติปาปัง ความว่าบุคคลแม้ถูกความหิวเบียดเบียนก็ไม่ทำกรรมอันชั่วเหมือนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเทระก็ข้าพเจ้าในวันนี้ไม่กระทำความชั่วเพราะเหตุแห่งอาหารเพราะฉะนั้นศีลของข้าพเจ้าจึงมากกว่า